เกากรหลรตคนไม้แล้วก็มีแนวอยู่อยู่บ่คอยคุณาการเทศเป็นความสําคัญอย่างหนึง่งที่จะต้องคํานวณการรับฟังมาผูดีรับฟังต้องการฟังเทศในลักษณะใดพอกการแสดงถ้มจะต้องเป็นถ้มที่ข่วนที่เหมาะ กับการรับฟังต่อผู้ที่รับฟังผู้ที่รับฟังจิตใจประพรมเพียงในการรับรู้ในถ้ำที่จะแสดงการแสดงถ้ำกระบอเป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์แต่ทํามเมื่อจิตใจพรมที่จะรับฟังในการแสดงถ้ำการแสดงถ้ำก็จะเกิดประโยชน์เพราะว่าผูธเจ้าเพินรัตถึงเรื่องของการแสดงถ้ำไหววาถ้ำเมื่อแสดงออกไปแล้ว ก็ต้องนั่ไปสู่การปฏิบัติใดโดยส่วนมากแล้วพระพุทธศาสนาที่พวกเราทั้งหลายเดียวเคยพอพื้นปฏิบัติมากเป็นพุทธศาสนาในเรื่องของรูปแบบธรรมเนียมประเพณีแต่ในรูปแบบของธรรมเนียมประเพณีก็ได้สอดแทรกเรื่องของการแสดงถ้ำไว้ในลหลายๆในลหลายๆพิธีการแต่การแสดงถ้ำในพิธีการ หรือพิธีกรรมที่เขาเด็กกระทำกันล้วนแล้วแต่แสดงท้าไปตามพิธีอีกนั่นแหะการแสดงทําไปตามพิธีมันสื่อภามารถเข้าไปถึงจิตถึงใจหรือถึงตัสัจจะเพราะตัสัจจะนี่ยมันเป็นความจริงที่อยู่ในชีวิตของพวกเขาเองโลกทั้งใบนี่บริเวเป็นตัสร้างความทุกข์ให้กับพวกเขาแต่ว่าจิตของเขาเอง ได้สั่งข้อมูลให้กับเขาจิตที่ได้สั่งข้อมูลให้กับโตของเขาเองเป็นจิตที่มีความหลงเพราะหลงนั่นเองเลยได้สั่งพลุให้กับตัวเองโลกเขาไม่มีมาก่อนที่จะมีมนุษย์หรือว่าโลกจะมีมนุษย์ก็ตามบ่มีมนุษย์ก็ตามโลกนี้บริเป็นปัญหาอย่างเลยดินฟ้าอากาศหรือว่าสัตว์ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่ของเขา แต่ว่ามนุษย์มาอาศัยบนโลกมนุษย์ได้รับความยากความทุกข์ความลําบากต่างๆนาหน้าประกรันที่พระเจ้าทรงตัดถึงคือทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความผัดผ่าทุกข์เพราะความบไดใดดังใจไม้ทุกข์เพราะปรารถนาสิ่งใดบอดใดสิ่งนั่นทุกข์เพราะถืออารมณ์บีบคั้นท่างคิดใจทุกข์เพราะความเศร้าโศกพิลี่พิไร ล, ลําพันเสียอกเสียใจ ความทุกข์ความอึดอัดอยู่ภายใ น, ในความคับแค้นใจอยู่ภายใ น, ในล้วนแล้วแต่ร่วมลงที่จิตจิตของเฮาเป็นผู้แบกรับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกายวะได้เป็นผู้แบกรับความทุกข์กายพืชเสน้นผมขนเล็บฟันนังเนื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใส่ไงใส่ น, น, น, น, น่อยอาหารใหม่อาหารเกา่าวะได้เป็นผู้แบกรับความทุกข์แต่ว่าเป็นทีตั้งของความทุกข์ มีเส้นผมก็ทุกเพอเส้นผมมีขนก็ทุกพอข น, ม, ม, น, น, พอพนมีเล็บก็ทุกพอเล็บมีฟันก็นทุกพอฟันเจ็บแควปวดแคลเดี๋ยไปโรงพยาบาลกันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระทุกเพราะว่ากายเป็นที่ตั้งแห่งความถูกแต่ผู้ที่ไปแบกรับทุกเกิดขึ้นจิตไปยังจิตขึ้นไปแบกรับถูกเพราะจิตบรู้บรู้ยังบรู้กายตามความเป็นจริงเมื่อจิตบรู้กายตามความเป็นจริงจิตก็เลยหลงยึดการหลงยึด กายอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เมื่อจิตได้หลงเขาไปยึดจับเอากายอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ว่าเป็นตัวเองทุกข์อันอาศัยกายเกิดขึ้นก็นเลยเหตให้จิตมีความทูกข์พอกเพราะจิตเขาไปยึดถ้าจิตปล่อยว่างความทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นเมื่อถือปล่อยว่างจิตก็บริเตเป็นผู้แบศรับทุกข์แสปัญหามันขึ้นอยู่กับ ขอปฏิบัติที่จะเขาเป็นไปเพื่อการปล่อยว่างวาเทศใดๆเขาจังสีสามารถปล่อยว่างได้นี่แหละพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้โลกเพื่อสอนให้เขาหูจักการปล่อยว่างการปล่อยว่างบ่าเป็นม่นานั่งบอกยิดบอกใจเจ้าของว่ะปล่อยว่างเด้อปล่อยว่างซะปล่อยให้มันยังอะปล่อยอย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปเอามาเป็นปัญหาของชีวิตเขาอาจสีบอกได้เขาอาจสีปลอบใจเจ้าของได้แต่ว่า มันเข้าถึงการปล่อยว่างในแท้จริงบ่ไทยยังบ่สามารถขอถึงการปล่อยว่างในแท้จริงแส่งว่าขอปฏิบัตินั่นยังบววมบ่เป็นขอปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ขอปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระเจ้าพึ่นสอนไว้มีชื่อเรียกว่ามรรคะปฏิปทานเรียว่าผลทางดําเดินเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เรียว่ามรรคแปดนั่นแหละที่พวกเราเคยดีเริ่มรู้มาก เพราะฉะนั้นรักปฏิบัติที่พวกเข้าเช่าพุทธทั้งหลายควรจะนําไปสู่การปฏิบัติให้ในชีวิตประจําวันของตนก็คือรักของมักแปดเพราะมักแปเป็นหนทางในการ ด, ดําเนินถ้าเขาประยึดถือมักแปเป็นหนทางในการ ด, ดําเนินเข้ากับว่าการที่เข้าเด็กขอมัสู่พระพุทธศาสนาผูกวิธีการที่เขาเด็กกระท่าตามรักของพระศาสนา เป็นวิธีการที่บริเป็นไปเพื่อเป็นเครื่องดําเนินให้ถึงความดับถุกถ้าการปฏิบัติในทงัทงทั้งศาสนาที่บริเตนนี้ขนทางพระมักแปบบการปฏิบัติที่บริเตนไปเพื่อความดับทุกเหตกระเพ้าก็แสดงว่าสิ่งที่เท่ากับปฏิบัติกันมาก็เป็นเพียงแค่การสร้างความทุกข์ให้ตัวเองปอเปล่าเป่าเกิดประโยชน์ที่พวกเขบอกว่าทําตัวเองให้ลําบากเปล่ า, าการทําตัวเองให้ลําบากเปล่าเนี่ย ผู้ใหญบอกว่าเป็นทางไม่ควรข้องแวะบวกควรที่จะเห็ุบวกควรที่จะทำควรดําเนวนทางสายกลางทางสายกลางก็คือมักแปดมักแปอันเป็นทางสายกลางที่เราจะสามารถนํามาสู่การปฏิบัติภายในจิตใจของเข้าได้ผู้ใหญ่บอกว่าให้ตั้งความเห็นใ้ถือการตั้งความเห็นในถือใครตั้งความเห็นในใสยูุมองการตั้งความเห็นในมองใดหรือว่าจังไดจังเรียกว่าตั้งความเห็นใ้ถือการตั้งความเห็นใ้ถือผู้ใหญ่บอกว่า ตั้งความเห็นกายบอกไงเห็นทุกนั่นแหะเห็นว่ากายเป็นที่ตั้งของความทุกเห็นกายให้เห็นกายมันถือต้องเอาซูเมอร์เนี่ยเขาเห็นกายโบถืกต่องเห็นกายร่างกายเป็นร่างกายมันโบถืกต้องบอกพุทาว่าถึงว่าสิเห็นร่างกายเป็นร่างกายเห็นโตเฮ้าเป็นโตของเฮ้าโตตอนที่เฮ้าเป็นอยู่ในเวลานี่เนี่ยที่เขาเห็นว่าเป็นโตเฮ้าเนี่ยพุทธว่าบอกว่าเป็นมิจฉาทิธิ แต่ว AH so ่าเป็นความเห็นผิดเถ้าโปเห็นต้เข้าเป็นต้เขาเข้าเห็นต้เข้าเป็นยังเรื่องจากพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงข้ามเนี่ยแสดงข้ามเพื่อจะแก้ไขความเห็นผิดความเห็นผิดที่จะนําไปสู่การยึดมันถือมันเพิ่นก็ได้สอนให้พวกเข้าได้เห็นไหมที่เขาเคยเห็นผิดมาให้มาเห็นให้มันถือแล้วความเห็นผิดที่นําไปสู่การยึดมันถือมันล้วเป็นความทุกข์ในจิตในใจของเขาน่ะก็คือความเห็นผิดได้กลาย การที่พ่อองค์ส่งสอนให้พวกเราได้รู้ว่าที่พวกเฮาทั้งหลายมีความเห็นผิดได้ไกลเป็นเครื่องบ่งบอกให้เฮาได้ทราบว่าสิ่งที่เฮาเห็นน่ะเห็นตัวเองในตัวเองที่เป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นตัวเป็นตนของเฮาเนี่ยเป็นความเห็นผิดหรือว่ามิดฉาทิธิเมื่อเฮามีมีมิดชาทิธิโยมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่เพราะความเห็นผิดนํามาส่งความทุกข์วิธีการแก้ก็ต้องแก้ไขความเห็นในมือถือ วิธีการแก้ไขความเี็นดือผู้ย่ยาบอกเห็นโตทุกเรียกว่าเห็นทุกข์ก็สัจจะเห็นโตทุกโตไดเป็นโตทุกกายเป็นโตทุกเท่าไหร่ร่างกายเฮานี่แหละเป็นโตทุกเฮาเคยรู้จักความเป็นทุกข์ในกายที่เป็นอยู่กับตัวเฮาในแต่ละมือแต่ละวันบ่มากายของเฮามีความทุกข์หรือแม้แต่นั่งอยู่ในขณะนี้กายกับเป็นที่ตั้งของความทุกข์นั่นหมายถึงว่า ความทุกข์สามารถเกิดขึ้นกับเขาได้ตลอดเวลาเพราะกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์กพความห่อนทุกข์พความหนาวทุกข์พความเจ็บปวดทุกข์พความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์แล้วแต่มันสิเกิดเพราะกายเป็นที่ตัง้งของความทุกข์ทุกต่างๆน่นนาประ ก, การที่มันจะเป็นและทุกทั้งหลายเหล่านี้มันก็เค่อยเกิดขึ้นกับในชีวิตเท่าแต่ก็ยังสิเป็นอยู่กับชีวิตเท่าจนไปหอดมือตาย เพราะอย่างเพราะกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นไรเมื่อกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์เฮาสี่เห็ุจังไงกบทุกพุทธเจ้าก็ได้บอกว่ารู้ทุกข์ในสัมมาทิฏฐิเรียกว่ามรรคแปดข้อแรกเนี่ยมรรคแปลว่าหนทางหนทางนี้เฮาจะต้องเดินหรือว่าจะต้องดําเนินในจิตในใจของเฮาอันดับแรกก็คือรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วเพพ่อ้องรู้ทุกข์เป็นไรถ้าเห็นทุกข์คือเห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายเป็นที่ตั้งของทุกข์ เมื่อเห็นกายไปที่ตั้งของทุกข์เราก็รู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายให้รู้แบบใดรู้ทุกข์เกิดขึ้นกับกายรู้ว่าเมื่อมีกายทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นก็ตรงนี้เมื่อบรมีกายทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นมันม่นกับบมีในเมื่อเขายังมีกายอยู่และก็ทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นกายยังมีอยู่ก็แสดงว่าการเกิดขึ้นของทุกข์ทางกาย เป็นการเก huh> ิดขึ uh, ้นตามลักธรรมชาติหรือความเป็นธรรมดาของมันเองเนื่องด้วยว่าพวกเข้าทั้งหลายบ่เคยได้รับรู้รับทราบว่าความทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามธรรมดามเขาเกิดเลยมาปฏิเสธความทุกข์อันอาศัยกายเกิดขึ้นอยากให้เจ้าของอยู่ดีมีแห้งใหญ่ของอยู่เย็นเป็นสุกกระทําสิ่งต่างๆอ่อนวอนวงสวงเส่นไวยสักกาละ ลองขอให้สิ่งต่างๆคุ้มครองปกปักรักษาให้ตัวเองปลเจ็บปลป่วยบลอดไข่ปลเป็นให้อยู่สุขอยู่สบายขอลองขอไปต่างๆนานาลองขอไปปัญห็ตามความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตคนอยู่แล้วพระเจ้าพันบอกว่ามันลองขอมาได้กายมีอยู่ทุกข์ก็ต้องมีอยู่กายมีอยู่ความเจ็บก็ต้องมีอยู่กายมีอยู่ความแก่ก็ต้องมีอยู่ กายมีอยู่ความตายก็ต้องมีอยู่ร่างกายเป็นที่ตั้งของความแก่ความเจ็บความตายความทุกโรคไข้ต่างๆนั้น า, นาประการแต่เขาไ่เคยเห็นความเป็นสิ่งที่มีอยู่นี่โดยปกติธรรมดาถ้าเ่าอยากมีทุกก็ต้องมีกายพอต้องมามีร่างกายนี่อีกคําว่าบอมี้ร่างกายนั่นปรได้หมายถึงว่าเป็นร่างกายเฉพาะในเวลานี้เนีน่ร่างกายของเทวดาก็ว่าเอา พอล่างกายเท่วดากระมีทุกร่างกายของพรมกระมีทุพอร่างกายของพรมกระมีทุกเอาพรมยังมีความทุกข์อยู่บ่ยังตายอยู่ด้พรมก็ตายอยู่ด้เบิดบุญนะเนี่ะเบิดบุญกับดับจากสั่นพรมลงมาสู่สั่นเทพเบิดพบบนดปุ๋นอากสั่นเทพลงมาสู่ความเป็นมนุษย์เบิดบุญจากมนุษย์ลงไปสู่กำเนิดเปรดพี่ปีศาจสุรกายสัตว์ได้ช้านกระไดเป็นอย่งชีวิตของเฮาต้องตกให้ตายการวนเวียน ไปทีสูงทีต่ำหาความเสมอความคงทีความตายโตในโตของมันว่าได้เป็นยังไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเป็นเทวดาเปลี่ยนไปเป็นพร่มเปลี่ยนไปเป็นซาเดลชานเปลี่ยนไปเป็นเปตผีปีศาจสุรกไยหรือแม้กระทั่งอยากพี่นองพอแม่ปูยาตายยาที่เขาตายไปเขาต้องอุทิศบุญให้เพราะอย่างเพราะเพิ่งอยู่ใน้กำเนิดเปดผีปีศาจสุรไกหรือว่าเทพเทวดาสุขติภู่มหรือเทวดากับปานธนาบุญข้ามนุษย์คือกันเด้ บอกแมว่าเข า, าอยากได้บุญเนียอยากได้บุญตายไปเป็นผีก็อยากได้บุญกับประนุษเนี่ยสแสดงว่ามีความถูกอยู่เขาต้องอุทิศบุญให้เพื่อไปเป็นเครื่องแกไขความถูกในประพรมที่เขาเป็นแล้วเป็นอยังชีวิตเท่าคือว่ามีความเป็นอยู่แบบคงทีแบบนี้หรือถ้าตายก็ตายไปแล้วเลยคือไปแล้วเลยจะสินะเป็นอย่างต้องไปเป็นผีอยู่ต้องรอดรับผลบุญจากญาติพี่น้องต้องอุทิศสุขศนไปให้มีงานนั่นงานนี่กัอุทิศมือเศร้ากับอุทิศให พอแม่ปูยาตายให่ก็อู้ทิศให้เพราะยัยพออยงพะเข้าบอสามารถปฏิบัติตนเองนี้ออกจากวัตฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อเข้าบอสามารถปฏิบัติตนออกจากวัตฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าเลยตกอยู่ภายในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเวียนมาเป็นมนุษย์เวียนไปเป็นเทวดา เวียนไปเป็นเปรตผีปีศาจอสุรกายแต่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของบุญกับบาปบุญผ้าไปดีบาปผ้าไปหมองบอดีทั้งบุญทั้งบาปที่เขาเคยเหตุมาฝาพนกันอยู่ในจิตในใจของเขาเขานึกบึงตึกตองเบึงคำนวณเบึงในระยะอิพานมากบุญกับบาปอันใดหลายก็เกันนำนักของบุญกับนำนักของบาปอันนั่นล่ะ มันสืดึงเข้าไปสู่พบชาติการเกิดเมื่อละชีวิตไปแน่นอนว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนต้องตายอาตมา ก, ก็ตายย่อมทุกคนต้องตายพอเมรุปุยญาตายยอาตมา玛 ก, ก็ตายไป็นวดแล้วอาตมาสิไปเหลืออยังนี่คือเบาะนี่ถึงอนาคตตการคณนะคือเบาถึงความเป็นจริงผู้เจ้าบอกว่ารู้อดีตการให้ลูกรู้อนาคตการให้ลูกรู้ปัจจุบันการให้ลูกแต่ปัจจุบันนี้เขากําลังสั่งสมคุณนงามความดีการสั่งสมคุ้นงามความดีม ค, ม ค, มดคือการทําบุญให้ท่าน ฟังเทศฟังธรรมอยู่ในเวลานี้มีกําลังมากไม่เพียงพ่อปานใดที่จะเป็นเหตุผลดันให้เข้าไปสู่ภพที่เป็นสุขติพูม่มหากสุขติพุม่มเขายังบอสสามารถสร้างเส็นท่าให้เจ้าของไปสู่ภพพุ่มที่เป็นสุขติหรือท่งที่ดีได้และห้องอิ ป, ปาร์นาภนิพานซึ่งเป็นท่าออกจากวัฏะนี่มันกับเป็นของหยาเพราะพระเทวบอกว่าการที่จะไป สู่พัพนิยพันธ์ซึ่งเป็นที่ออกจากวาตะเนี่ยบ่ต่อมาเวียนไหวตายเกิดต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนนําหนุนทรงพอว่าสิไปเป็นเทวดาก็ต้องอาศัยบุญแม่แต่มาเป็นมนุษย์ก็ต้องอาศัยบุญเพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเป็นมนุษย์การที่เขาได้ดเป็นมนุษย์ในเวลานี้ก็เท่ากับว่าเขาไมีบุญมาแต่ฝังก่อนการที่เขาไมีบุญมากแต่ฝังก่อนแสดงว่าเขาสร้างคุณงามความดีในรักของพระพุทธศาสนา ม, มาแต่ฝังก่อน เพราะว่าคนเกิดมาในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยศริมอบพุทธศาสนาบริภพทุกคนเนี่ยบริเจอทุกคนเนีศา ส, สนาพุทธเขาว่าเจอพุทธศาสนาเจออยู่ไสย์บริเจออยู่ในวัดว่าอารามเจอพระสงฆ์โอเคเจ้าไม่แม้เจอพุทธศาสนาเนี่ยผู้เยา ว, ว์อ่าหากอยากจะเจอพุทธศาสนาให้เห็นอยู่ในหลักคําสอนเพราะว่าผูธเจ้าวค์คนบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรม ถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นและถ้ำที่เขาจะเห็นคือถ้ำอย่างถ้ำ ท, ที่เขาจะเห็นก็คืออริ ย, ยรสัจจะทำสี่ประการอริ ย, ยรสัจจะทำสี่ประการมิอย่างแน่กับมิหนึ่งทุกขสัจแปลว่าทุกขสัจจะทำความจริงที่มีความทุกหรือความจริงคือทุกประมาไหนเนี่ยกําลังกําลังบอกถึงความทุกนี่แหละนี่ืล้วความจริงถ้าสิเห็นพระพุทธศาสนาเห็นอยู่นี่ หากอยากจะเข้าถึงพุทธาสนาก็เข้าถึงยนโตนี่โตทุกเนี่ยโตทุกยุไซระบันกับโตเฮาอีกระบานเนี่ยอเพราะว่าผู้เจ้าสอนเขาว่าทุกเนี่ยก็ได้สอนทุกอยู่นอกโตเฮาเด้สอนทุกอยู่ในโตเฮานี่ยทุกความแก่อยู่ในโตของไข้าอยู่ในโตเฮาเนี่ยเขากระแก่เขาก็ะเทาเป็นอยู่ทุกพความเจ็บสอนไปยู่ไซอยู่นอกโตเฮาอยู่บ่กตอยู่ในโตเฮาทั้งนั้นเลยทุกพราะความตายอยู่นอกโตเฮาอยู่บ่ความตายแต่อยู่ในโตกระเฮาเนี่ยแะ ทุกข์เพราะความผัดผ่าทุกข์เพราะความบริแรดังใจไหมทุกข์เพราะปัจฉานาสิ่งใดบริสิ่งนั้นทุกข์เพราะมีอารมณ์บีบคั้นทั้งจิตทั้งใจทุกข์เพราะความขับแคลนทุกข์เศรษฐกิจเสียใจพิรพภิ ล, ลววาลวพันจักอิหยังก็ตามที่เป็นความทุกข์ที่หอบแบกอยู่ภายในจิตในใจความบุญไหว้ความปันป่วนปัญหาต่างๆนานาเนี่ยแหละเมื่อพระเจ้าทรงสอนบอกว่าอาริยสัจทำข้อที่หนึ่งเรียก ว, ว่าทุกขสัจจะ ศาสนายุนีเด้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงเห็นตถาคตเปยังพระพุทธเจ้าคือบอกว่าเห็นทุกขสัจจะถ้ำเนี่ยสิเป็นการเห็นพระพุทธองค์เสียนพระพุทธองค์ได้จังไดหถ้าเข้าได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเข้าสิยได้รู้ว่าการที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ยพระองค์ผ่านความยากความลําบากความปุกต่างๆ่านั้นประการมาซ้ำไหนว่าสิมาเป็นพระพุทธเจ้าใดความปุกต่างๆ่านั้นประกาศที่พระองผ่านมาได้นี่ย เป็นเครื่องฝึกฝนเร่อนรวยพุทธเจ้าได้เกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจว่าในเข้าใจว่าชีวิตที่แพ้จริงแล้วของเขาอะมันบม่ได้มีความสุขดอดกผู้ใดก็ตามเมื่อแสวงหาเอาความสุขจากชีวิตในกายในใจเนี่ยเอาความสุขทั้งกายแล้วความสุขทั้งใจแล้วก็ยึดถือความสุขทั้งกายทั้งใจว่าเป็นสาระแก่นสารพุทธเจ้าบอกว่าบ่มีทางคนไปจากความทุกข์ได้เพราะยังเพราะ การยึดถือความสุขทางกายทางใจยังเป็นการยึดถือโดยอิงอาศัยตัวตนอยู่ถ้าเขายังอาศัยตัวตนอยู่บ่มีท่างที่จะผนทุกได้เพราะยังเพราะตัวตนนี่แหละเป็นผู้พาเข้าไปหาสุขเป็นผู้พาเข้าไปหาทุกหรือว่างไงว่าเป็นผู้พาเข้าไปเป็นทุกหรือเป็นผู้พาเข้าไปเป็นสุขเมื่อเขายินดีความสุขในายเขาก็ต้องมีกายที่จะเป็นไปเพื่อความสุขเมื่อเขายินดีในความทุกในใจเขาก็ต้องมีใจ เป็นไปเพื่อความสุขแล้วสิล่ะแล้ความสุขที่เข้ายิ่งดีในกายในใจที่อาศัยตัวตนอยู่เป็นความสุขที่บอ่ออย่างยืนเป็นความสุขที่บ่อมีอยู่กับเข้าไปตลอดกาลเู้ใหญ่ผู้เล่บอกว่าการที่เข้ายึดถือความสุขทางกายทางใจเป็นความสุขที่อาศัยอิงตัวตนอยู่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เพื่นก็ได้สอนใน ห, ห้องปล่อยว่างไวมีตัวตนไว้ ย, ยึดถือตัวตนไว้อเอาความสุข ทั้งตัวตนทั้งกายทั้งจิตมาเป็นสาระแกนสารขึ้น่าไฮแคทองไรยังเป็นสาระแกนสารเหรอเขาบอกว่าให้เข้าใจชีวิตโดยความเป็นความทุกข์จะต้อเป็นสาระแก่นสารเพราะว่าอย่างเพราะว่าความสุขบริเวณสัจจะคําว่าความสุขบริเวนสัจจะนั้นหมายถึงว่าความสุขบ่ิได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาววอนในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เป็นเที่ยงแท้ถาววอนในชีวิตของเราคือความทุกข์เพราะอย่าง เพราะทุกข์นะเข้าบริษับแบงหามันก็เกิดขึ้นมาได้แต่ความสุขเข้าแสวงหาดิ้นล่นกันแทบเป็นแทบตายว่าสิได้ความสุขแต่ละข้างแต่ละผขนว่าสิหรือสุกว่าชีวิตมีความสุขได้แต่ละข้างนี่ดิ้นล่นสแสวงหากระทําำคืนนะเฮตุให้ตัวเองมีความสุขแต่สุขนั่นก็นอยู่กับเข้าบริษัยย่างยืน่นอยู่ได้แค่ชัวขังชั่วข้าวเข้าสิฝากเป็นฝาตายฝากชีวิตไปกับความสุข ที่มันบางอย่างยืนในเชิงใดล่ะพุทธเจ้าเพื่อจะได้สอนในพวกเข้าผูกความจริงเพราะความจริงในชีวิตของเขาคือความทุกข์การเห็นความทุกข์ใดพุนว่าเริ่มเห็นพอพุทธเจ้าแล้วเพราะว่ายพะพุทธเจ้าเพื่อตัสรูอริยสัจตัสรูความจริงคือความทุกข์เมื่อเพื่อตัสรูอริยสัจมาความจริงคือความทุกข์เพื่อเลื่ยุดแสวงหาความสุขหันมาเบิ่งความทุกข์ว่าทุกเพออิหยังอยู่ได้เวลานี้เขาทุกพออิหยังล่ะตอนนี้อ่า ทุกน้ำยังเบิ้งเข้าไปในจิตในใจของเจ้าของว่าทุกเพราะเอีย่ยงสายใย ห, หรือสายย่องที่มันย่องเข้าไปหาปัญหาหรือโตตนเหตุของความทุกแต่ละปัญหาทุกแต่ละอันที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มาจากเหตุของมันบอมี่ยังดอกที่จะเกิดขึ้นบ้านร่อ ย, อยเมื่อพู้ไเจ้าพูดบอกว่ายุดสแสวงหาทุกหละกลับมังม่วงยุดแสวงหาสุกลักกับมัม่งความทุกเพื่อให้เห็นม้ลเหตุของความทุกม้วนเหตุแล้วทั้งบัดรทั้งป่วง พระเจ้าเพ้นสรุปร่วงแล้วมาจากตันหาสามตันหาสามมเล่ยเป็นสัจจะทั้งข้อที่สองเรียกว่าสมุทัยสัจจะสัจจะทั้งข้อที่สองียว่าสมุทัยสัจจะอันนี้แหละที่พระเจ้าให้รู้อ๋อพอเขามีความอยากความอยากนี่มันมันสร้างสร้างสิ่งต่างๆนหน้าที่จะนํามาสื่อความถูกเพราะอย่างเพราะคณะที่อยากจิตใจเขากระดิบรอดแล้ว และเมื่อใจจิตใจดิ้นรอนก็เดือดร้อนแล้วเมื่อใจิตใจเดือดร้อนก็เป็นความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็เป็นไปแบบนี้เมื่อเขารู้ว่าความทุกข์ที่เขากำลังเป็นอยู่ในเวลานี้มันเชื่อมโยงไปเป็นไ ป, ไปมาจากมุ่นเหตุคือตัณหาคือความอยากหรือว่ามีเหตุเกิดของมันจะเป็นเหตุแบบใดก็ตามให้เขาเข้าไปรู้เลยว่าเหตุอันนี้ละ่ะเหตุให้เขาทุกข์อยู่แบบนี้พรุทธเจ้าเพิ่งก็เลยบอกว่าให้รู้จักาันให้รู้จักว่า ทุกคือทุกเอาให้บ่หูจักว่าทุกเป็นทุกเวลาทุกเกิดขึ้นคือจักคือเป็นทุกกันอยู่สุข้นอยู่การที่พระเจ้าเพื่อนบอกว่าให้รู้จักทุกคู่ทุกกระไมยถึงมาให้รู้จักทุกโดยความเป็นความจริงถ้าเข้าหูจักทุกโดยความเป็นความจริงเข้าก็สามารถยอมรับความจริงใดเพราะทุกเป็นความจริงถ้าเขาบ่ยอมรับทุกก็เขาก็วางเขาบ่ยอมรับความจริง ใ ห, ใ, หให้ยอมรับความจริงเนี่ยการยอมรับความจริงเนี่ยมันเสียให้เฮ้าบอต้องไปทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอย่างต่อความจริงมันเป็นความจริงที่จะต้องเป็นจริงอยู่แล้วสิไปทุกข์กับความจริงที่มันเป็นจริงอยู่กับมันเพื่อให้เฮ้าท <s> ุกข<ให>์เพิ่มจากทุกข <s> ์เดิมที่มันเกิดขึนเห็นยังเพราะเราสอนเฮารู้ว่าไปแก้ไขเหตุอย่าไปแก้ไขทุกข <s> ์มาต่อทุกข์ก็ต้องไปแก้ไขให้แก้ไขเหตุของมันเหตุเกิดมาแล้ว ให้มันเกิดไปแต่ว่าเหตุไม่ยาสางเพิ่มเหตุไปคืออย่งเหตุไปคือสางความอยากความปารถนาความบอต้องการทุกข์ความบอรู้ทุกข์ความบาอเข้าใจทุกข์ความบอย่อมกับทุกข์ความปฏิเสธความทุกข์ต่างๆนั่นแหละเป็นการที่บริจาคให้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาตัวเองนะ่ะผู้เจ้าบอกว่าอันนี้่ก็เป็นเหตุอย่างนึงน่ะที่ให้ให้เฮาบ่ดเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อเฮาเข้าขใจชีวิตตามความเป็นจริงถามว่าข้อสิ่พอความสุขอยู่บ่ พุทธเจ้าบอกว่าอย่าเฝ้าไปถามหาความสุขให้รู้จักทุกปอนเมื่อรู้จักทุกแล้วให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกเมื่อรู้จักเหตุให้เกิดทุกแล้วให้รู้จักว่าทุกที่เกิดขึ้นกับเท้ามันกระดับไปได้แสดงว่าความทุกเกิดขึ้นกับชีวิตของเท้าแต่ละข้างแต่ละผลมันไม่ได้เกิดขึ้นละตั้งข้างอยู่ในจิตในใจของเท้าไปอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันมีเวลาดับของมันเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับ ถ้าเขาสามารถเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจที่มิมาจากเหตุดับไปด้วยตัวของความทุกข์เองได้ความเห็นอ น, นั้นมันสิเป็นตัวปัญญาปัญญาคือการเรียนลู่ความจริงเรี้ยนรู้อริยสัจธรรมอริยสัจธรรมสิจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้เราดิลุวา่าโอ้ทุกเกิดขึ้นมันก็นดับไปได้เนี่ยเมื่อทุกเกิดขึ้นสามารถดับไปได้การที่เขาเห็นทุกที่ดับไปได้นั่นแหละ เรียกว่าเป็นสัจธรรมอันหนึง่งเลยว่านิโรธสัจจะความจริงที่ความทุกข์นั้นดับได้เมื่อความทุกข์มันเกิดได้มันดับได้แล้วสิไปเอาความทุกข์ต่างๆนาน า, นามาเป็นปัญหายอีกย่าง ใ, ให้จิตได้ใจข้อมอบรตองไปสั่งความอยากความปารธนาความต้องการหรือความหลงความบัลลูหลงยึดถือทุกข์ ใ, ใหจิตได้ใจจากของเมื่อเขาบัหลงบัลยึดถือทุกข์ ใ, ให้จิตได้ใจจากของแล้ว ปัญญาเข้ากับสา้ามาตัดสินลกไปในเด็ชขาดว่าทุกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการที่เข้าเห็นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปใดนี่แหละคือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมักเรียกว่ามัคคะปฏิปทาหนทางดําเนินเป็นไปเพื่อความดับทุกดับทุกแบบใดดับทุกอันเกิดจากความหลงหยึดถือทุกที่เป็นความทุกข์ในใจของเข้าเองนะมันสิดับมองหั้น จา ก, การที่เขาบริบบติบัติเลยเนี่ยเขาบได้มาปฏิบัติ บ, ต บ, ตบตมรมรู้ทุกที่เกิดขึ้นตั้งยูดับไปเนี่ยเขาสิยุดทุกเข้าสิแบกหลับทุกเข้าสิเอาทุกตัวนั้นมาเป็นปัญหาของชีวิตเอาทุกมาเป็นเครื่องปรุงแตง่ง จ, จิตใจเอาทุกมาเป็นเรื่องเล่าทับถมคิตใจหรือบรรทับอุกังม โ, มโนโนีนหัวใจเข้านี่แบกหับยูหันหลังเนี่ยแยหะทำามีปัญญาลู่แล้วมันก็จะรู้อะไรเข้าใจความจริงบ่ต้องไปบอกให้ปล่อยว่างมันสิปล่อยว่างเองวันไหมเพราะว่าปัญญามันรู้อะไรเนีย การจะเลื่อนมร์นี่แหละคือขอปฏิบัติที่จะเป็นไปผู้ฟั่นดบทุกการที่พระองค์ทรงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นเราผู้ไม่เห็นธรรมถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นธรรมก็คืออริยสัจธรรมสีประการเนี่ยหาเข้าอยากเห็นพระพุทธองค์ให้ประพฤติตามหลักธรรมอริยสัจธรรมสีประการนี้ที่ได้อธิบายไปดีพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับพวกเขาพระพุทธเจ้าม่นมณตของพระพุทธเจ้าเด้ พ, พุทธเจ้าคือเรียกว่าพุทธะ ตัวของพระเจ้าบรมพุทธะว่าไงวะตัวเนื้อตัวหนังของพระเจ้าบรมพุทธะแต่ว่าคำว่าพุทธะน่ะคืออริยสัจจะทมสี่ประการนี้เดียกว่าพุทธะถ้าไม่มีอริยสัจสี่ประการนี้เราไม่สามารถปฏิญาณตนเองได้ว่าเป็นพุทธะพระเจ้าขึ้นมาและความเป็นพุทธะพระเจ้าบม่ได้ผูกขาดไปที่ตัวของพระองค์ถ้าหากว่าความเป็นพุทธะ ผูกขาดไปก็ผู้ไดเจ้าผู้ไดเจ้าละชีวิตไปแล้วปรินิพันธ์ธนไปแล้วพุทธะก็ต้องดับไปฟ้องที่ละต้นบอมแยนที่ละพู้ไเจ้าเพิ่นบอกว่าสถาคทจะดับไปแล้วก็ตามละไปแล้วก็ตามปรินิพันธ์ธนแล้วก็ตามพุทธะยังคงอยู่หมายถึงว่าอาริยรสัจธรรมนี้ยังคงอยู่ความรู้ในอริยรสัจธรรมนี้ที่บุคคลสามารถเข้าไปรู้ถึงบรรลุถึงปฏิบัติได้ยังมีอยู่ที่เพิ่นบอกไว้ว่าพุทธังสารนังคตฉามิ เข้าถึงพุทธะโดยการระลึกนึกถึงอริยสัจธรรมสีประการนี่เข้าถึงพระธรรมโ ด, ดยการระลึกระลึกถึงธรรมที่เราจะปฏิบัติในอริยสัจธรรมสีประการนี่สังขังสละนังขงัทธามิระลึกถึงข้อปฏิบัติสังข้างนี่คือสงเนี่ยสุ ป, ปฏิปโนเนี่ยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยสุปฏิปโนเนีย่ยเดี๋ประสงค์เดี๋ยวขอปฏิบัติระลึกถึงข้อปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติ พออริยสัจธรรมสีประการนี้ ม, ามาันว่าเพราะนั้นพระรัตนไตรัยบริเกี่ยวย่อมกับโบุคชนแต่พระรัตนไตาเป็นเรื่องของความรู้ของอริยสัจธรรมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นมาด้วยอริยสัจธรรมสีประการนี้พวกเข้าเป็นเช่าพุทธ้าพวกเข้าบริรูอริยสัจธรรมสีประการแต่ประกาศตนเองว่าเป็นผู้นับถือพุศาสนาะ เมื่อบรมีความรู้ความพอใจในอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมสีประการนี่ก็ทากระว่าว่าได้เป็นผู้นับถือศาสนาตามคั่นล่องของศาสนาที่พระเจ้ามีพุทธประสงค์ที่จะให้บุกเข้าประพฤติปฏิบัติความเป็นพูทศาสนาเป็นศาสนาของความรู้ผู้ที่เขามานับถือบุตรศาสนาจะต้องเป็นผู้มีความรู้รู้ในรักอริยสัจธรรมสีประการนี่เพราะยังเพราะจิตใจของเข้ามันมีความหลงหลงมาแต่การใดๆแล้ว สิ่งที่จะเห็ุให้จิตมีความรู้ได้ก็คือความจริงสีประการเตรี้ยเห้เาตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาพุทธะคือความรู้ตื่นเบิกบานการที่เห้าดิรู้ว่าชีวิตของเห้าคือความทุกข์มันเริ่มตื่นโตขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องเตือนสติเห้าที่สแสวงหาความสุขในชีวิตนี่อย่าไปหามาเลยแต่ให้มองกลับมามองความทุกข์หลัก็รลูกความทุกข์หลกักกรดับเหตุของความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับโตของเห้าจิตของเห้าที่มีความหลงนี่ มันบอแมงหลงธรรมดาเด้คมันหลงแบบบูรุเลีองเลยหลงแบบง่อมง่ายไปเลยเด้ฐาความหลงไในขอบง่ำแล้วง่อมง่ายบอยอมรับเหตุรับผลบอย่อมรับสัจธรรมบอยอมรับสิ่งเป็นจริงบอยอมรับศาสนาปฏิเสธค้าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆทีจะพ้องมาเป็นผู้นับถือศาสนากับปฏิเสธค้ามสอนทางศาสนาเรื่องเล่าค้าสอนทางศาสนามาสอนก็สอนกับอะไรบอกกับอะไรเพราะว่าอย่างเพราะความหลงความหลงของมคิดขวาใจจิตใจของมเห่าเนี่ย เป็นจิต ท, ที่ล่องรับทั้งบุญทั้งบาปเข้าสิหาเอาบุญหรือเอาบาปมาเป็นที่ตั้งในจิตในใจของเขา้านะแล้วใจของเข้าเนี่ยบแมนรับได้เฉพาะบุญกับบาปอย่างเดียวแต่ว่ารับอริยสัจธรรมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อพันิพย์ขนก็นได้เพราะฉะนั้นการที่พระองคส่องตรัสถึงพันิพย์นเข้ากับว่า พอบุรเจ้าบุตรต่อการในห้องไปเป็นเทวดา บ, าะะบุตรเจ้าบุตรต่อการในห้เอาเป็นพ่อมแต่ผู้เจ้าต่อการในผู้ห้องไปพันิ พ, า, พานธ์คือไปดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเขาในเวลาไหนละ่ะมันทุกข์คอยเรื่องยังรับรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหตุแห่งความทุกข์คือยังเข้าใจเหตุที่มันเกิดขึ้นความดับไปของความทุกข์คือแบบใดเมื่อเขาเข้าใจเหตุแล้วรับรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์มันสีปา่ากด ให้เข้าเห็นเป็นความดับตามคณะของความทุกข์ที่มันเกิดอย่างี่อ่ะเขาก็จะเห็นว่าความทุกข์มันก็เกิดมันก็ดับมันก็เกิดมันก็ดับมันก็เกิดมันก็ดับจิตก็สิเกิดความรู้เมื่อจิตเกิดความรู้แล้วจะเกิดคุณสมบัติติดอยู่กับจิตกับใจของเข้าเป็นคุณสมบัติที่เห็นให้เข้าบ่มีสติหลงเลื่มไม่ได้หลงเลื่มในชีวิตเข้า่า ชีวิตที่แท้จริงเขามีความทุกข์เขาสีบ่ลงเริ่มเขาเสียใจเข่าใจชีวิตเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอีกครั้งความเข่าใจที่บ่ลงเริ่มนี่แหละมันก็สิมาสอนใจเขาอีกว่าถือต้องแล้วเป็นธรรมดาเพราะชีวิตมีความทุกข์อยู่แล้วการที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา<อ>เมื่อมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา บุคคลที่สามารถเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาได้เห็นความทุกข์ดับไปเป็นธรรมดาได้บุคคล น, นั้นเป็นบุคคลปฏิบัติที่ปฏิบัติเป็นไปเพื่อการละอาสวะกิเลสให้ในจิจในใจตัวเองและสิเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ให้ในจิจในใจของตัวเองได้ข้ามมาดับทุกข์ไดความหมายของพุทธเจ้าคือการดับการเกิดเพราะว่าอย่างเพราะว่า การเกิดเป็นความทุกเรียกว่าชาติปิทุกขาเมื่อเกิดอีกก็ต้องเป็นทุกข์อีกเพราะนั้นบุคคลใดกระทำที่เห็นอริยสัจธรรมซีประการในจิตในใจของตัวเองรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปท่องทุกข์รู้ท่ามปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คนผู้นั้นจิงสามารถดับการเกิดตามกําลังของการปฏิบัติภายในจิตในใจตนเองในลําดับพระโสดรบันดับการเกิดในเจชตฌา ภาษาการทาคามิบอกมั้ยพระโสดาบันดับการเกิดในภพชาติที่8ยังเกิดในอีกเขตชาติภาษาการทาคามีดับการเกิดในภพชาติที่สองยังต้องเกิดอีกชาติหนึ่งพระ อ, อนาคามีดับการเกิดในโลกกระทา ค, คือโลกมนุษย์เทวโลกบอกเกิดอีกแล้วในเทวโลกก็มนุษย์โลกแต่ไปเกิดพมโลกพระอรหันต์ดับการเกิดในพมโลเ ข, า น, า, น ข, า, า, ขานิพานคําว่าเขาหนีพานคือว่า าการดับเกิดการเกิดในทีทับป่วงว่ามีการเกิดในทีใดๆแต่บ่แม่นการขาศูนย์ว่แม่นการสาบศูนย์บอดี้แม่นหายไปซื่อซื้อทหารอะเพียงแคว่ว่าบอตกล่องมาสูว่องจรดของการเบี่ยนไหวตายเกิดเหมือนกันกับปุตุชนปุตุชนนี่หาความแน่นอนบได้เดียวก็ดีเดียวกับดดกบดี้บอกไงนะบอกไงว่า พบซาดนี้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ดีโยเป็นสุขติภูมิตายไปแล้วรู้ได้บ่ละว่าสิ่งทเป็นมนุษย์คือเก่าวอลรู้บ่ได้เขารู้บ่ได้แล้วก็หาความแน่นอนบ่ได้หาความตายใจก็ บ, บ่ได้หาสิ่งที่รับร่องบ่ได้แต่กระได้อยุคนว่าสิ่งที่รับร่องบ่ให้มนุษย์ไปสู่ทุคติก็คืออํานาจพระราชนาฏัยอานาจของพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นเป็นเครื่องรับร่องภายในจิตได้ใจ ผู้ใดก็ตามตั้งจิตมันคล้องในพระรัตนตรัแนวแน่ในพระรัตนตรัยึดพระรัตนตรัโดยที่บ่มีความค่อนแคลนเลยบอ่อยึดถือสิ่งอื่นนอกจาก พ, พระพุทธพระธรรมพระสงค์ผู้นั่นล่ะจังสีใดมีคุณสมบัติร่องรับจิตใจโดยที่บ่ตกไปสู่ที่ําแต่ถ้ายังมีจิต ค, ค่อนแคลนอยู่ปากบอกว่านับถือพระรัตนตใจไปยึดถืออย่างอื่นว่าเป็นสารณะเป็นที่พึงอยู่ผู้ได้เจ้าบอกว่าอนุภาพวรตรตตรไตบ่หลับร่องมันถอ ว่มีความบันคงว่ายัางค่อนแคนอยู่วันเขใจมันสามารถตกไปในติชัวได้อยู่เพราะว่าพระรตนาตะล่องรับจิตของบุคคลว่าให้ตกไปในติชั่วได้จิตของบุคคลนั้นต้องมันคงเนี้ยเป็นศัทธาที่เรียกว่าอัจฉริศรธาศัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวบ่หวัว่นไหวต่อสิ่งอื่นเลยนะยังศีรษะศิษฐ์กลัวพุทธเจ้าถ้าธรรมประสงค์บ่มีวัา่างไหมใด้ ใ, ใจในเจ้าของนี่มิแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างเดียวบ่ลงยึดถืออย่างอื่นเนี่ยแหละคือความสําคัญ เพราะนั่นโตจิตโตใจของเฮ้าเนี่ยมันบริเวณเป็นเรื่องที่จะเฮ้าจะต้องปล่อยจิตปล่อยใจจะของเป็นไปตามผ้าวะตถีมันจะเป็นโดยที่บริเวอบร่มสั่งสอนมันบรได้ใจเฮ้าต้องอบร่มต้องบอกต้องสอนนี่เพราะว่ามันเบี้ยนตายเบี้ยนเกิดก็ย้อนใจที่มันหลงมันบรูนี่แหละไปเป็นสัตว์อิริยาบถกับใจนี่แล้วไปเปรตไปเป็นเปรตกับใจนี่ได้ไปเป็นไปเป็นเทวดากัใจดวงนี่ได er, ้ไปเปรนไปเป็นพ่อมกับใจดวงนี่ได้ไปเปรต ไปตกนรกกัใจได้ดิได้เป็นเป็นพราเป็นมนุษย์กับใจตรงนี้แหละแล้วกับใจกําลังอยู่ได้ไกลเข้าในเวลานี่แหะกำลังเป็นมนุษย์อยู่กําลังเป็นคนอยู่เนี่ยกระจนี่แหละใจที่มันเคลื่อนไปเป็นเทวดาไปเป็นสัตว์ในละชานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปเป็นอสุรกายไปตกนรกมาแล้วกับใจนี่แหละใจในเวลาเนี่กําลังฟังเพจฟังธรรมอยู่นี่แหละสิไปเป็นอียงอีกเราบานนี่ในภพชาติที่ผ่านมาคุรุเจ้าบอกว่าพวกข้าเป็นมาบัดแล้วดวงจิตดวงใจของเฮาเนี่ยท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ไม่รู้กี่อสงไขยกับเวร่ากิพานไปร่วมไปเนี่ยใจดวงนี้เพราะมันมีความบ่วลู่อยู่มันมีความหลงอยู่ก็ต้องสร้างความรู้เขาม้ารู้อย่างรู้ทุกสร้างความรู้เขื่นมาทุกเกิดอีพวกเจ้าทุกแน่นอนมีแข้งมีขาเจ็บแข้งเจ็บขาแน่นอนมีหัวปวดหัวเจ็บหัวแน่นอนมีมีตนมีโตัมีตัใไ่ใส่พุ่งต้องเป็นโลกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีตาเป็นโลกตามีหูเป็นโลกหัว มีจมูกเป็นโลกจมูกมีฟันเป็นโลกฟันมีหนังเป็นโลกหนังมี่เนื้อเป็นโลกเนื้อเอ็นกระดูกเป็นโลกเป็นไพ่เป็นผิดต่อเจ้าของดูแลบัณดีปันญาก็ตามประคบป้องกันบัณฑปันญาก็ตามมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องเป็นตามผ้าวะตามก็เป็นจริงที่มันจะต้องเป็นใจอย่ามาลงหยุดมาหลงยึดเอาอียังไกลอันนี้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วที่เป็นโยนี่มันมันโยให้ให้เขาโยดีมีสุขอยู่บอกล่ะตายเนี่ย ว่าต้อไปลองไกด์ที่จะดีกาไกดมนุษย์กับวิมกับบัณฑดีไปดอกเพื่อว่าให้ใส่ปัญญาคำหนึงคำล้วณเบิ้งกายครังเทวดามันสีดีปัญญามันก็ดับมันก็จะไปเขาว่าดับเกิดแสดงออกถึงความทุกข์แล้วคือมันต้องดับมันถอคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับชีวิตของเฮาเนี่ยตั้งคิตตั้งใจพิจารณาตั้งกรรมฐานเพื่อนมายาเสียเวลาเวลาที่เฮาเดิมาเจอพุทธศาสนาเจอรักทำคำสอนที่เพื่นสอนไปแล้วเพื่อนสอนไปเพื่อนบัณฑิตสอน ผู้ใดได้เพิ่มสอนพวกเฮาได้เป็นพุทธสาวบกสอนเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยธรรมะของพุรยเจ้าว่าเมื่อธรรมะที่พี่สอนอยู่นอกตัวของเฮาเพื่นบริสอนให้ไปเห็นธรรมะอยู่นอกตัวเพื่อนเห็นธรรมะอยู่ในตัวน่ยอยู่ในกายเขาไปลูมันเขาไปเห็นมันลูประถมคือกายหน้า ม, มาถ้ำคือจิตจิตอันอาศัยกายอยู่อย่าไปยึดถือมันลายกันว่าให้ลูความจริงพิจารณามันจงไทยถอนได้ถ้าบ่กพิจารณาบอกไทยถอนพี่หน้าข่างเดียวกักบไทถอนประดีดอก พี่หน้าสองเถื่อสามเถื่อสเถื่อหเถื่อลอยเถื่อพันเถื่อหมื่นเถื่อแสนแถมล้านเถื่อเหลือมาสิบเกินล้านไปก็ตามก็จะไปหยุดทามันบ่ท่านได้ถอดถอนพิจารณาไปจนถอดถอนถ้าผู้ใดพี่กำลังจิตกำลังใจจะลายที่หน้าลอยเถื่อถอดถอนได้ก็เอาเถื่อที่ลอยนั่นแหะเป็นที่ตั้งของการพิจารณาถ้าหนึ่งอเถื่อบ่ท่นได้ถอดถอนเอาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปผุะจนกว่ามาสิท้อถอดถอนถ้าถอดถอนกายได้แล้วบ่ร้งยึดถือกายได้แล้ว ใจที่มันบวลงยึดถือเนี่ยก็เป็นใจที่ว่าต้องทุกข์เพราะทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นว่าเก็เหลือทุกข์อยู่ภายในเฉพาะใจของมันทุกข์ยังทุกข์เพราะยังหลงใจอยู่หลงกายเพเพรเอ้าหลงกายแก้ได้แล้วถอนได้แล้วเหลือหลงใจบ้านหลงใจว่าจังใดหลงใจอันมีตันหาเกิดขึ้นหลวงพ่อมันพูดบอกว่าอันว่าตันหาปารธนาอยากได้ไม่รู้จักพอล่อลวงใจให้เกิดทุกข์หลงว่าสุขมีอยู่จากใจ สแสวงหาซ้ายิ่งในทุกๆเวลาโดยแท้สุขหากมีอยู่ที่ใจใจรู้ใจใจเห็นใจมีอยู่ใจเดียวสุขเป็นครูทุกเป็นครูรู้แล้วหยุดอยากทุกประหัสิ้นไปถึงแม้ถี่มีใจอยู่สลัดถอดถอนเรื่องของกายได้แต่ใจมันยังหลงยังมีอยู่เด้ความหลงของกายมันยังมีงความหลงขางใจมันยังมีอยู่ลงว่าใจเป็นใจนี่แล้วลงว่าใจของเฮาเนี่ยยังเป็นตัของเฮาอยู่ยังเป็นตัวตวนของตัวเองอยู่ เลยพ่อใจอยู่ในใจอยากให้ใจของเจ้าขอมีแต่ความสูงอยู่ตลอดมันก็ยากมาได้แล้วใจเป็นตัวรับอารมณ์อารมณ์มีอยู่สองขั้วขั้วดีกับขั้วบอดีหรือมีอยู่สองแง่แงม่มุมที่ดีกับแงม่มุมที่บอดีหรือมีอยู่สองคางคางที่ดีก็มี่คางที่บอดีก็มีภาษาบาลีพูดว่าอิทธารมอณิทธารมเนี่ยภาษาบาลีภาษาของพระพุทธเจ้าภาษาบาลท่านบคือว่าอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อใจเป็นที่ตั้งของอารมณ์ อารมณ์ดีมากปลากรดกับใจมันก็ต้องดีอารมณ์บอดีมาปลากฏดกับใจมันก็ต้องบอดีให้เขาเห็นทั้งอารมณ์ดีอารมณ์บอดีที่เกิดึ้นกับใจเนี่ยตามธรรมดาของมันว่าโอ้อารมณ์ดีมาปรากฏเพราะมากเหตุจากบอดีอารมณ์ถิ่บอดีมาปลากรดกับใจก็มาจากเหตุถิ่นบอดีทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์บอดีเกิดและกาดับเกิดและกาดับคือกันเนี่ยเมื่อเขาเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับในจิตใจจิตอันใดก็ตามที่มันรับรู้อารมณ์จิตด้วนั่นก็ดับไปพร้อมกับอารมณ์ จิตดวงไดก็ตามที่ตั้งอยู่พร้อมกับอารมณ์จิตไดวดวงนั้นก็ต้องดับไปพร้อมกับอารมณ์ทั้งอารมณ์ทั้งดีและดีเบาคัดหูกันเบากระทบกระท้างกันหรือ่องยิน่นเรื่องเล่าที่มั น, นกระทบ<ด>จิตกระทบใจแค่ให้จิตใ จ, ใจของเขาคุ้นมัวแกอย่าไปลงในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตอย่าไปลงเพ่งโทษกันอย่าไปลงเบาให้กันอย่าไปลง อ, อย่างไรเพ่ง เพ่งคิดเพ่งใจจนเป็นความเดือดร้อนได้คิดได้ใจว่าผู้นั้นบดีว่าผู้นี้อิบดีใจที่มันเพ่งออกไปนั้นมันจะสร้างความทุกข์สร้างโทษให้เจ้าของสร้างเฮ็ดให้จิตใจจของเจ้าของนี่ติดอยู่กับอารมณ์พรใจกับอารมณ์เป็นเคียงเกี่ยวโยงกันแยกกันบ้ออกมีใจก็ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็ต้องปางคนกับใจเพราะอารมณ์จะปางคนดยเฉพาะกับใจเท่านั้นอารมณ์เป็นหน้ามาถ้ำใจก็เป็นนามาถรมน้ำกับน้ำนามาถ้ำกับนาำมาถ้มอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วอาศัยกันดับไป เหมือนกันกับกายเห้าเป็นที่ตั้งอาศัยยังความแก่ความเจ็บความตายความทุกโกรกให้ต่างๆนั้นประกาลกายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ห่างกายใจก็เป็นที่ตั้งของอารมณ์แต่อารมณ์ที่มากระทบกับใจสิเป็นทุกข์เพียงเห้าเป็นทุกข์หรือเห้าบ่ทุกข์จูกับความฉลาดของเห้าเห้าฉลาดมีปัญญาเข้าใจคําสอนของผู้เจ้าเห้าก็บรรลุอารมณ์เมื่อบรรลุอารมณ์เห้าก็บรรลงทุกข์เมื่อเห้าบรรลุเป็นทุกข์ใจมันก็สบาย จิตใจคุณมั่วก็สบายจิตใจสบายมันก็สบายบ่หลงไปกับอาการของคุณมั่วหรือบ่หลงไปกับอาการของความสบายว่างเฉยใดกับอารมณ์ทางไายทั้งปวงในโลกอารมณ์กับเป็นแค่เรื่องของโลกว่างอารมณ์ใดก็ว่างโลกใดว่างโลกได้กับมันสิบปีอีหยังกับโลกเราบางเนี้มันก็บ่ได้ไปไปมีปัญหาอีหยังกับโลกกับอีหยังเลยหาสิเบาหยังกัเป็นเรื่องของคนคนเบาคนบ้าสิ่งที่เข้าเอกมากถ้าเข้าเบาดีกับเป็นกรรมดีเป็นบุญของเขา เขาบอกมาบอดีก็เป็นกรรมบอดีของเขาเนี่ยมันบอดีเป็นเกีย่ยวอย่างเขาเท่าอย่างเลยแต่เขาบอดีอบร้มใจจะคของเขาไปเอาเรื่องของคนนั้นบา่าวข้อนนี้เบา่ามาเป็นอารมณ์ท่างใจเอามาคิดเอามาเป็นปัญหาเอามาเป็นสิ่งนี่มันนักอกนักแกอยู่โย่แบบนี้แหละพรเขาหลงหลงอารมณ์เนี่ยใจขเขาบัลูุมันต้องอบรมบอ่อบร้มบ่ได้เอาคําสอนผู้เจ๋อเขาไปอบล้มใจจะคของ อตาตมาของารมณ์ใจจะขอมาตลอดเมื่อโอ้อมใจมาแต่ของตลอดแล้วรู้เรื่องของโลกว่าเป็นเรื่องของโลกโอ้โลกเพิ่งกัเปน็นแบบนี้คุณเจ้าเพิ่นกับหลีนี้ว่าไรว่าไหมนะคุณเจ้าก็ว่าสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของโลกที่มันเป็นแบบนี้ให้ไปเป็นแบบที่เพิ่นต้องการได้เลยเพิ่นก็บ่ได้แก้ไขนะเป็นแบบใดก็เป็นแบบนั้นละโล ก, กอ่ะเพราะมันเป็นโลกมีวิธีเดียวที่เพิ่นจะสามารถแก้ไขได้คือ zek zek ทําตัวเองออกจากโลกเฮตจิตให้ออกจากอารมณ์ ยกจิตเห็นอยู่เหนืออารมณ์อย่าเอ า, าจิตไปของอยู่กับอารมณ์อย่าเอาจิตไปพัวพันอยู่กับอารมณ์รู้อรารมณ์มาเป็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นรับรู้รับท ร, ร, ร, ราบกันไปตามภาว่ารู้รับท ร, ราบกันไปหรอกมันกระดับอยู่แหมอารมณ์มันเหมื อ, อม น, มนสีมีค้างอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วมันกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเนี่ยใจห้าวกระสิเริ่มเบาเริ่มเย็นเริ่มสบายเริ่มไ่เด่นยุ่งยารู้โลกตามความเป็นจริงโลกวิถีรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง โลกยุใส่คินยุใจเฮ้าหี่อารมณ์กับใจเฮ้าหนิแหละโลกมันไม่ยู่โลกไพ่นอกนี่โลกไพ่นอกไปลู่แจงแจงมาใดก็มาดับทุกใดดอกแต่ลู่โลกคืออารมณ์กับใจเนี่ยมันดับทุกได้บานเขามาลูอารมณ์กระทบใจเฮ้าเมื่อหนึง่งเคื่องหนึ่งเขาได้ลู่บอลนอนรักกับรับไปซื่อตื่นึ้นมากก็บรรลุจัดใจเฮามีอารมณ์อย่างขางอยู่สุบทุกบวซุบทุถู ก, ส, กสงบบุญไหวหรือบวบุญไหวบวเคยเรียนรููบวเคยศึกษา เบอร์ค่อยสจะพัฒนาจิตใจเจ้าของให้อยู่เหนืออารมณ์เมื่อเ่าพัฒนาจิตใจเจ้าของอยู่เหนืออารมณ์ยุงอยู่แต่อารมณ์ก็โลกโลกก็เล่ยขอบงั่มจิตใจเล่ยบรูโลกจือเทือกบลูเข้อใจโลกเจือเทืออารมณ์ของโลกสมีต่างๆนันาประการมีย่ลอยแปดพประการทัชใจห้าวบอร์หยึดถือไปแล้วมันกับเาเป็นปัญหาอีกย่างทั้งสิ้นถ้าเป็นปัญหาอยู่กับห้าวตัวนี้พอห้าวเบอรคยอารมใจให้เกิดความโลภใจถือว่ามีความรลภมันก็หลงหลงไปตามอารมณ์ของโลกอยู่บอหยุดเบอร์เศร้าเนี่ยแหละ ชีวิตของเขามันก็เลยเป็นไปตามโลกกระแสของโลกมันสิเป็นผ้าเป็นไปพระเจ้าเพิ่นบอกให้กระแสของโลกผ้าเป็นไปได้พระอริยเจ้าเพิ่นก็บ่กให้กระแสของโลกผ้าเป็นไปได้เพราะใจเพิ่นอยู่เหนืออารมณ์ของโลกเนี้ยปล่อยให้อารมณ์ของโลกเป็นเรื่องของอารมณ์ของโลกโลกอันนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละถือเอาอะไรก็ไม่ได้มิแต่ปล่อยว่างอย่างเดียวเพิ่นว่าถือเอาก็บื่ได้อารมณ์ของโลกถือเอานี่เป็นเรื่องเป็นเล่าเลยแหละ เป็นเหตุนํามาซึมความถูกต่างๆนั่นหน้าประกาศได้แล้วให้ไปถือเอาอารมณ์ของโลกเนี่ยผู้นั้นหาความสุขในชีวิตบะได้ดอกมีแต่เรื่องของการปล่อยว่างจะเป็นสุขใดปล่อยวางเสียปล่อยให้เป็นของขอโลกตามเดิมเยอาเรื่องของโลกมาเป็นเรื่องของเจ้าของตัวของเจ้าของกับพอแห้งแล้วว่าไหมกายของเจ้าของมันมีทุกพอแล้วพอแหงอบร่มใจเจ้าของมินเฉลียวฉลาดต่ออารมณ์ของโลกเมื่ออารมใจเจ้าของใหายเฉลียวฉลาดต่อเรื่องของโลกได้แล้วมันสิไปทูกกับเรื่องอี๋งเรื่องของโลกมันสิไปทูกเงี้ยงกับเท่าใด ว่าลูกบ่เข่าบ้านวาอย่างไดล่ะบานถ้าจานมาสิลูกบ่ยอมเขาา่าบ้านเหตุจากไหน่าสิเอ า, เาบา่เข่าบ้านกันมันกับมันบ่เข่าบ้านเหตุจากไหนไปลากข้อมันเข่ามาอยู่ในบ้านไปลากเขามาอยู่ในบ้ า, านคิดว่าสิมีความสุกอยู่บมดมันกับ่ัมีความสุกอยู่ข้างกาวล่ะมันอยากออกหนีจากบาน่นก็ออกหนีของมันมันก็เป็นเรื่องของมันอันเป็นเรื่องของลูกลเราเผ้าวาเบิ่งใจของเผ้าว่าเผ้าทุกหรือบ่ถุกถ้าใจทุกอยู่เปยังคือบริบดับทุกได้ใจของเผ้า ให้ใจห่อเย็นห่อสบายเมื่อใจห่อเย็นทสบายแล้วมันซีอยู่ในบ้านมันซีอยู่นอกบ้านก็เป็นเรื่องของมันตัวบานเนี่ยมันสิเป็นเรื่องของใครเอาบ้านพนเป็นมันตายมากเดี๋วบ้านเนี่ยมันสิเป็นยังไงเป็นตายเราห้องหามได้อยู่บ้านะบานผู้ใดหามความตายเดีวบอกหามความเป็นความตายความที่มันจะเกิดียังเกิดขึ้นใครหามได้หามมันได้ก็ไปอยู่ดอกบ้ามันสิเป็นน่ะผู้ใดเจ้ามันก็ไ่เคยมันไม่เคยไปแก้ไขอยังเรื่องของโลกเลยมันมีแต่ปล่อยว่างโลกไปตามความเป็นจริงของโลก นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้อยาเกิดมาอยู่กับมันก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องเจอแบบนี้เขาไม่อยากเจอแบบนี้อย่ามาเกิดพูดมาเพราะต้องมาเกิดการเกิดเป็นความทุกข์เห็นบอว่าเนี่ยทุกข์กับมันคักมาบอโกรกเนี่ยหรือพันในคับบอคักก็ไปเกิดเอีกยบบอเจ้าหน่ะน่ะอาตมานี่ว่าตมาว่คักเลยเด้ตมาซัมเนี่ยตมาว่าตมาคักเลยเด้เนี่ยไ่อยากมาเกิดไม่อยากอยู่มันโลกอันนี้แต่มันกับอยู่บอว่ามันตายถ้าตายแล้วกับกับไอยู่กันหรอวะ ก็ <c oughs> อยู่ไประเดแล้วตายเราเพราะก็เผาตายมันมันบอกเป็นถาเอาเนี่พูดใ้เจ้าเพื่อนบัว้าเอาเด้่ยโลกเพื่อนวิสาหพยา่าลว่ า, วางมี่ยังก็ทุกข์พราะโอ๊ยเจ็บไข่เด็ป่วยมาหนเีเพราะแห้งแล้วถาดขันหนีว่าเนี่ยแหละเขาได้เรียนลูกเลี้ยงลูกอยู่กับตัวขเขาแล้วมันสิเกิดปัญญาถอดถอนไทถอนบม่ได้สนใจดอกเรื่องพูอ้อื่นเรื่องพวกอื่นเป็นเวทกรรมของเขา เขาเฮ็ดบุญมาดีบุญกับสิคุ้มข้องปกปักรักษาเขาดอกเขาเฮ็ดมาบ่ดีเฮาสิไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงบาปของเขาไอ้ปินมาเป็นบาปของเขามันเปลี่ยนบ่ได้หรอกมันไปอาสารับใส่บาปกรรมแทนกันบ่ได้หอกไปขอไปตกนรกแทนพระเทวทัตก็บบ่ได้หอกพระเทวทัตก็ไปตามกรรมของพระเทวทัตนีน่ะพุทธเจ้าเพิ่งกระดับขันปรินิพานแล้วแต่ผู้พดทธสั่งเหตุแบบใดไปกัไปตามเหตุของเจ้าของมันไปแบกรับแทนกันบ่ได้เฮาก็มีกรรมเป็นของเฮ้า เขาก็ต <esto, S 2> ้องรับผลกรรมของโตเฮ้าไอเฮาได้มีเกิดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับแต่าไ่ามีเขามาแล้วมีหลวมีร้านมียังขึ้นมาก็ต้องย่อมรับกรรมวิบากส่วนนั้นเขาสิเป็นแบบใดกันน้องรับกรรมวิบากของเขาเองที่เฮ้ามีเขาขึ้นมาว่างบ่ต้องไปสนใจว่ามันสีมาหรือบ่มามันสียู่หรือบ่ยูมันสีดีหรือบ่ดีสิไปเหตุยังมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยล้วนๆเลยแต่เฮ้าก็ยังมาเป็นของเฮาตามเหตุปัจจัยของเฮ้าเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของไ่ายเขามัน ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะตายมันมีแต่ความถูกกับความถูกสุ้มหัวสุ้มใจอยู่เนี่ยแหละทำมาความกวดใจเจ้าเอาละอธิบายทามากเห็นมาพ่อสมควรแกไ้ไว้ละเอว่อาง